เมื่อชัยชนะของอัลลอและพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮเป็นหมู่ๆและนั้นจงแท้สองสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า และขอพยโทษต่อพระองค์เถิดถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ